อัญเชรีวันธนาอภิวาสกราบในมรสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะพวกเราที่มารวมตัวอยู่กันณนะที่นี้ได้มีความตั้งใจและสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสกับเสถียรธรรมสถานซึ่งทํางานร่วมกับสาวิกาสิขารไยมหาวิเชียรไทยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ในคณะพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้ชีวิตวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งมีความเป็นปกติของสเสถียรธรรมสถานในการทำงานเรื่องจิตประภัสสนตั้งแต่นอนอยู่ในคันและงานของการสร้างครอบครัวแห่งสติในงานอริยะสร้างได้ตลอดจนวันนี้นิสิตปีหนึ่งปีสองจำนวน30กับกว่าชีวิตพร้อมทั้งคณาจารย์ และผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายที่มารวมตัวอยู่ณที่นี้ในโอกาสนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ให้โอวาทและคำสอนที่ถูกต้องโดยธรรมในเรื่องของหนทางอริยะซึ่งจะเป็นกำลังใจและเป็นสิ่งที่พวกเราจะยึดไว้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระอาจารย์ร่วมกันชคะและเพื่อเป็นโอกาสที่ท่านอาจารย์จะได้ใช้เวลานี้เพื่อที่จะ สั่งสอนพวกเรานะคะขวายพวกเราน้อมใจที่จะฟังท่าอาจารย์ได้จิตที่รู้ตื่นระเบิดบานกราบนิมนต์เจ้าค่ ะ, จะเจริญพรโยมออกมาที่นี่จเจริญพรไม่ได้นะต้องทำมาสวัสดีโยมหลวงพ่อไปเทศมาลหลายที่นะแต่ว่ามีที่นี่แหละน่ารักที่สุดเลยเรียกว่าธรรมะติดดินอยู่กับพื้นจริงๆธรรมะจริงๆนะติดดินนะธรรมะไม่ใช่ของไกลตัว ไม่ใช่ของลึกลับธรรมะอยู่กับตัวเรานี่เองเป็นของธรมธรมดาธรรมดามันของเรียบง่ายความปรุงแต่งนั่นแหละทําให้เราห่างไกลธรรมะออกไปทุกทีถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความปรุงแต่งบันใดใจพ้นจากความปรุงแต่งเราก็เข้าใจธรรมะนี่อยู่ๆจะให้พ้นความปรุงแต่งไปเลยนะั่นมันทําไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับไปเริ่มตั้งแต่รู้จักทําทานรักษาศีล รู้จากสวดมนต์ให้พระทําจิตใจให้สงบสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นยิ่้นการที่คุณแม่ท่านอุตษาหพาพวกเราสวดมนต์นะเป็นการเตรียมใจของเราให้พร้อมกับธรรมะถ้าใจของเราวอกแวกอยู่มันรับธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นของสงบของสันติหัวข้อที่หลวงพ่อจะพูดวันนี้ชื่อหนทางอริยะนี่ก็เป็นหัวข้อที่หลวงพ่อชอบนะ ชาวพุทธเราต้องตั้งเป้าไว้ในชีวิตเราเลยอย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้อย่าไปวาดภาพว่าพระโสดาบันนั้นยากเกินไปคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลๆทายัางไงจะได้ก็ไม่รู้ถ้าอะไรๆก็ไม่รู้ก็ไม่สมควรเป็นชาวพุทธหรอกชาวพุทธต้องรู้สิว่าพระโสดาบันเป็นยังไงทำยังไงถึงจะเป็นพระโสดาบันอย่างน้อยต้องได้ตรงนี้ก่อน ส่วนคนใดได้ธรรมะขั้นต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะจนให้มันเป็นชั้นเต็มภูมิจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขในโลกโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะกว่าหลวงพ่อจะบวชได้ในอายุทั้งสี่สิบแปดนี่บวชเมื่ออายุมากเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่จิตตพัฒสอนตั้งแต่แตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลยนะใน่ได้นอนในคันอย่างตอนนี้นะพวกเราได้เปรียบหลวงพ่อแล้วพวกเด็กในท้องเนี่ย เริ่มสัมผัสธรรมะตั้งแต่ยังไม่เกิดของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาแล้วได้สองสามเดือนผู้ใหญ่พาไปวัดละนะอุ้มเวลาพ่อแม่ตายายอะไรจะไปฟังเทศนะ์เอาหลวงพ่อใส่เบาะเล็กๆตปนะไปวางไว้ข้างธรรมะแล้วฟังเทศตั้งแต่ยังฟังภาษาคนไม่ออก ใ, ใจนะั้นมันค่อยๆซึมซับธรรมะไปจนกระทั่งโตขึ้นมานะก็ค่อยมาหัดภาวนาเบื้องต้นอย่างภาวนามไม่เป็นทําได้แต่สมถะ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทาสมถะทําใจสงบไปตังแต่เจ็ดขวบหัดแต่เจ็ดขวบทําความสงบทุกวันทุกวันทําอยู่ยี่สิบสองปีก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นพระอริยได้ยังไงก็คิดแต่ว่าถ้าทําความสงบไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งบารมีพร้อมคงจะเป็นทําอยู่ยี่สิบสองปีมันก็ไม่เป็นทักทีนะมันก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนพวงเราตอนนี้แหละ ดีบ้างร้ายบ้างรู้สึกไหมคุ้มดีคุ้มร้ายเนื่ยคุ้มดีคุ้มร้ายร้ายมากกว่าดีจนอายุยี่สิบเก้านะปี25งพ้ายี่สิบห้าไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านสอนธรรมะให้หลวงพ่อสอนแปลกท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วนะต่อไปที่ให้อ่านจิตตนเองนี่หลวงพ่อตอนนั้นก็ลืมคําว่าพระอริยะไปละลืมว่าเราตั้งแต่เด็กๆนะอยากจะได้ธรรมะ ตัแต่ยังไม่รู้จักคําว่าพระอริยะก็หัดปฏิบัตินะใช้ที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติมันจะอยากปฏิบัตินี่พอมาหัดภาวนาอยู่กับหลวงปู่ดุลนะไม่นานคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็เห็นความจริงนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปพอเราเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับไปได้เนะี่ยใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราที่คิดว่ามีตัวเราตัวเรานะตัวเราไม่มีจริงหรอก งั้นพวกเราหัดภาวนานะเป้าหมายแรกที่อยากให้พวกเรามุ่งไปสู่ก็คือการพัฒนาจิตใจจนมันเกิดปัญญาเห็นว่าตัวเราไม่มีพวกเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆตัวเราวันนี้กับ ต, ตัวเราเมื่อสิบปีก่อนเมื่อยี่สิบปีก่อนมันก็ยังเป็นตัวเราคนเดิมนี่เราจะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆความรู้สึกว่ามีตัวเราถาวรนี่เรียกว่ามีอัตตามีตั ว, ม, ตวมีตน ถ้าพูดภาษาพระจริงๆ เ, เรียกว่ามีสักกายพิธิมีความเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเป็นตัวเราอยู่เป็นตัวเราอย่างถาวอถ้าวันใดที่เราภาวนาจนเราถอนความเห็นผิดได้ว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าพราอริยะอย่าวาดภาพพราอริยะคือมนุษย์พิการนะหลายคนชอบวาดพระอริยะเป็นมนุษย์พิการถ้าระดับพระอรหันเนี่ยนะเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยจะทําอะไรทีต้องค่อยนะ น่าสงสารมากเลยนะลืมไปนะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยย่งพระสารีบุตรนะท่านเดินไปเจอท้องล่องท่านกระโดดข้ามเลยนะท่านไม่ได้มาย่องย่องอะไรกันนั่นนั่นจริงๆความเป็นพระอริยะเนี่ยอยู่ที่สติปัญญานั่นเองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงไหมว่าตัวเราไม่มีถ้ามีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามารำซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันถ้าภาวนาต่อไปมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปนะจะเห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนๆเ่ยมีปัญญาเห็นอย่างเนี้ยหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความรู้ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายหมดกามและปฏิฆะอันนั้นเป็นปูมิธรรมของพระอน า, าคามีอยู่ที่ปัญญาล้วนๆเลย ถ้าภาวนาต่อไปอีกนะภาวนาต่อไปอีกจนวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งว่าอะไรรู้แจ้งว่าตัวจิตไม่ได้ตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้ารู้แจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นั้นจะปล่อยวางจิตรู้แจ้งว่าขันทั้งหมดเลยเป็นทุกข์โดยเฉพาะจิตนั่นแหละเป็นขันสุดท้ายเลยที่จะเห็นได้ว่าเป็นตัวทุกข์อย่างร่างกายในพวกเราเห็นได้ไหมว่ามันทุกข์ดูง่ายนะร่างกายดูง่ายขันอื่นๆยังดูง่ายว่าเป็นเป็นทุกข์แต่พอถึงตัวจิตเนี่ยดูยากแล้วว่าเป็นทุกข์ เราจะเห็นว่าจิตเนี่ย ท, ทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างเห็นอยู่แค่นี้เองต้องภาวนานะต้องค่อยๆเจริญสติไปเจริญสติถึงจุดหนึ่งนะถึงจะเกิดปัญญารวบยอดเลยว่าขันทั้งหมดเป็นทุกผู้ที่รู้แจ้งว่าขันทั้งห้านะเป็นทุกโดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นขันตัวสุดท้ายเลยที่จะทําความรู้แจ่มแจ้งได้หมดความยึดถือในขันห้าหมดความยึดถือในจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนั่นแหละคือภูมิธรรมของพระอรหันต์ แม้ตั้งแต่โสดาสักกะาคานาคาพระราารอรหันต์หลวงพ่อข้ามสักกะคาพระสักกะคาเนี่ยปัญญาอันเดียวกับพระโสดาคือเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่พระนาคานะเห็นวนะ่ารูปทั้งหลายนะกายทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆพระอราหันต์จะเห็นได้จิตนี้ทุกข์ล้วนๆในสุดก็ไม่ยึดถือพวกเรายังไม่เห็นพวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าทุกข์ล้วน พวกเราเห็นไหมว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้นนะเราไม่มีปัญญาพอเพราะงั้นเราไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้ก็เราตอนเด็กๆก็เราคนเก่านั่นแหละเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็เราคนเก่านั่นแหละการที่เห็นอย่างนี้นะก็คือเห็นว่าตัวเรามีอยู่เป็นความเห็นผิดนะเรียกว่ามีสักยัตทิฏฐิไม่ได้เป็นปสุตตะบัน งี้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนะว่าการเป็นพระอริยนั้นเป็นไปได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้ า, าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นแจ้งนะไม่ใช่ปัญญาคิดเอาถ้าปัญญานั่งคิดเนี่ยไม่เรียกปัญญาในทางศาสนาพุทธเราคิดเอาเองอย่างเรานั่งคิดเอานะว่าเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บเดี๋ยวเราก็ตายนั่งคิดได้เป็นคราวๆนะแป๊บเดียวก็ลืมอิดแล้วว่าเราจะต้องตายเห็นไหมนั่งคิดได้แต่เดี๋ยวกระดาวก็ลืมไป มีใครคิดบ้างว่าเราจะตายวันนี้มีไหมขออนโฉมผู้ไม่ประมาทมีไหมไม่มีไม่ ม, ม, มีเรายังคิดว่าเรายังไม่ตายวันเนี้ยคือเราเราจะคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะไราประมาทจย่างนั้นเป้าหมายแรกนะเราต้องพัฒนาปัญญาให้เห็นก่อนเป็นพระโสดาให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่จุดที่หนึ่งเลยนะแล้วถัดจากนั้นค่อยไปดูว่าขันห้าเป็นทุกข์ ถ้าเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกเรยียกว่ารู้ทุกถ้ารู้ทุกได้ก็เรยียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนะถ้ารู้ทุกทุกคือขันธ์ห้านะทุกคือกายกับใจถ้าเห็นขันธ์หเป็นทุกเมื่อไหร่แล้วก็หมดความยึดถือในขันธ์ห้าไม่ยึดกายไม่ยึดใจ mm hmm. ความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้น <im> ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุก์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้ทุกเมื่อไหร่หตัณหาคือตัวสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นเรียกว่าละโดยอัตโนมัติ เมื่อไรจิตใจปราศจากตัณหาเมื่อนั้นจิตจะเห็นนิพพานนิพพานคือภาวะที่สิ้นตัณหาดงนั้นเมื่อไรใจเราหมดความอยากเพราะว่ารู้จริงว่าใจนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แล้วจะเห็นนิพพานแล้วเราเห็นนิพพานได้เพราะว่ารู้ทุกข์นะเพราะารู้กายรู้ใจการที่รู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยล้วก็เห็นนิพพานได้นี่เรียกว่ามรคเรียกว่าอาริยมรคทุกสมุทัยนิโรธมรคเนี่ยเราจะเห็นแจ้งในขณะเดียวในแว บ, บเดียวเท่านั้น นี่เวลาที่เราจะลงมือปฏิบัติมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วหนทางที่เราจะเป็นพระอริยะพระอริยะขั้นต้นคือพระสวดาบันท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธปรรมนา ม, มาทำไม่มีตัวเราในรูปธรรมนา ม, มารมไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปธรรมนา ม, มารมนี้นการเจริญสติเรีว่าสติปัฏฐานเนียจะช่วยให้เราสามารถเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจได้ว่าไม่ใช่ตัวเรา พวกเราใครเคยได้ยินสติปัฏฐานบ้างถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสนากรรมฐานจะฟังว่าวิปัสนากรรมฐานฟังแล้วมันน่ากลัวไไหมนพวกเราได้ยินคําว่าวิปัสนาก็น่ากลัววิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งนะไม่ใช่การคิดนะเกิดความเห็นการเข้าไปเห็นการเข้าไปประจักษ์แจมแจ้งลงไปในกายในใจนะว่ากายกใจนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตัววิปันาเป็นตัวโดดเดินปัญญาส่วนการทําสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดสติขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญามีสองขั้นตอนนะเงั้นขั้นแรกเลยพวกเราจะต้องฝึกให้เกิดสติก่อนมันน่าอาัศจรรย์คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดรู้สึกไหมเราเวลาเราคิดเราชอบคิดเรื่องคนอื่นนะเวลาเราดูเราจะดูคนอื่นเห็นไหม เวลาเราฟังเราก็ฟังคนอื่นเราไม่ฟังเสียงธรรมะในหัวใจของเราไม่ฟังหรอกเราจะฟังคนอื่นนั่นเราจะสนใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งท่านที่เรารักตัวเองมากที่สุดเลยเมื่อไรเราไม่สนใจตัวเองมีร่างกายอยู่แล้วก็ลืมมันไปมีจิตใจอยู่แล้วก็ลืมมันไปนี่แหละเรียกว่าขาดสติสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายสติเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจ พวกเราสังเกตไหมตอนนี้เราลืมกายลืมใจเป็นส่วนใหญ่นึกออกไหมตั้งใจฟังหลวงพ่อฟังฟังฟังไปรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองร่างกายเราเป็นยังไงเราก็ลืมจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นี่เรียกว่าขาดสติสติคือเครื่องระลึกรู้นะความมีอยู่ของกายความมีอยู่ของใจเราต้องคอยระลึกรู้อย่าลืมกายอย่าลืมใจเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อ หลายปีมาแล้วนะหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการหลวงพ่อพูดบางบางทีก็พูดนะว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวหรอในโลกนี้มีแต่คนหลงมีแต่คนลืมกายมีแต่คนลืมใจพูดอย่างนี้ทีแรกคนโมโหนะตอนนี้หลวงพ่อไม่กลัวแล้วหลวงพ่อพูดเต็มปากเพราะคนที่เห็นตามได้เนี้มีเป็นหมื่นแล้วที่เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงว่าจริงๆเราหลงอยู่ทั้งวันเลย สังเกตไหมเวลาเราดูเราก็หลงไปดูเวลาเราฟังเราก็หลงไปฟังเวลาเราคิดเราก็หลงไปคิดเวลาคิดนะเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมกายลืมใจเวลาดูนะเราก็ลืมกายลืมใจเวลาฟังก็ลืมกายลืมใจอ่ะลองฟังหลักขังนี้ดูลองตั้งใจฟังดิเราจะเห็นเลยจิตเราวิ่งมาที่นี่จิตเราจะหลงมาเวลาเราดูนะจิตเราก็หลงมานะ อาลองดูขันนี่สัง เ, เกตไหมเราเห็นขันในขณะที่เราดูขันนะเราลืมตัวเราเองแล้วเราจะลืมตัวเราเองนั่นมนุษยในโลกนี้นะอาภัพที่สุดเลยรักตัวเองที่สุดนะอยากพ้นทุกอยากให้มันดีแต่ทอดทิ้งตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาเลยเราจะต้องหัดนะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปเบื้องต้นในการที่จะหัดรู้สึกกายรู้สึกใจนะหาอารมณ์กรรมาฐานมาสักหนึ่งก่อนอย่างที่คุณแม่ท่านสอนเนี่ย เขชอบสอนอาณาปนานสติใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่โอ้ทําอาณาปนาสตินะอาณาปนาสติเนี่ยทําได้ทั้งสองขั้นตอนเลยทําให้เกิดสติก็ได้ทําให้เกิดปัญญาก็ได้อยู่ที่ว่าเราทําเป็นหรือเปล่าอาณาปนาสตินะถ้าทําผิดนะก็เอาไว้เพ่งจิตทื่อๆหนักๆแน่นๆอย่างพวกเราบางคนพอเริ่มหายใจรู้สึกไหมใจจะแน่นแน่นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทําผิดละ อนาปนาสตินะเบื้องต้นทําให้เกิดสติหายใจไปเรารู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวนะเช่นเราหายใจไปหายใจไปจิตเราถลําไปจ้องลมหายใจแล้วเราลืมตัวแล้วนะจิตหลงไปจ้องลมหายใจเรียว่าลุดหลงไปแล้วรู้ทันว่าจิตถลําลงไปจ้องลมหายใจแล้วเราหายใจไปหายใจไปจิตแอาไปคิดขณะที่จิตไปคิดเราก็จะลืมกายลืมใจเนี่ยหลงไปคิดหลงทางใจแล้วเรารู้ทันนะรู้ทันแต่อย่าดึงคืนมานะ หลักของการเจริญสติเนี่ยเราจะไม่บังคับจิตถ้าบังคับจิตนั้นมันจะกลายเป็นการกดข่มไว้สมรถะก็ไม่ได้จริงหรอกมีปรสนาก็ทําไม่ได้แม้นเวลาที่เราหายใจไปแล้วจิตเราหลงไปนะให้เรารู้ทันรู้ทันแล้วอย่าดึงคืนมานะถ้าดึงคืนมาปุ๊บจิตจะแน่นๆเลยถ้าจิตแน่นแน่นนี้ใช้ไม่ได้แล้วจิตที่หนักจิตที่แน่นนี้เป็นอกุศลจิตงั้นเราหายใจไปดูเล่นๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดู พอใจหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมการหายใจลืมร่างกายที่หายใจเรียวกว่าเราขาดสติละเราก็รู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปอย่าดึงจิตคืนมานะไม่แค่เริ่มรู้สึกใหม่เห็นร่างกายหายใจไปใหม่หายใจไปหายใจไปหลงไปคิดอีกละรู้ทันอีกว่าจิตหลงไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดถ้าหายใจไปแล้วก็ ORT, พอใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเองไป เรียกว่าหายใจแล้วรู้สึกการู้สึกใจเนี um ่ยหายใจแล้วมีสติมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกค่อยๆฝึกไปนะเนสติตัวจริงมันเกิดข sept okay. ึ้นมาสตินี้จะเป็นตัวคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนี้พอเรารู้ทันกายรู้ทันใจแล้วขั้นต่อไปของการทําสติปัฏฐานก็คือการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา ปัญญาคือการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เท good, ี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้เก่งกล้า ส, สามารถในเรื่องน้นเรื่องนี้แต่ปัญญาเป็นความารู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เรียกว่าปัญญาเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดปัญญา อย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนะเราเห็นไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูการจะเ ร, ะเริ่มเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกแต่เราเห็นในร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นะเป็นแค่รูปธรรมอันนึงที่กระเพิ่มเข้ากระเพิ่มออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดมันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โป่งเดียเด๋ยวก็แฟบใจเราเป็นแค่คนดูนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี่ไม่ใช่เราหรอก เหมือนถุงหนังอยู stop stop saying, ่ใบหนึ่งนะเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวโป่งเดี๋ยวแฟบค่อยๆฝึกนะเข้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยหายใจไปก็จะเห็นในตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดเรารู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดหายใจไปอีกเดี๋ยวก็หนีไปคิดอีกไม่ได้หายใจไม่ให้หนีนะแต่หายใจแล้วหนีเรารู้ว่าหนีคนละเรื่องกันนะระวังนิดนึงอย่าไปหายใจเพื่อไม่ให้จิตหลงเลยอย่าไปหายใจเพื่อบังคับจิต เราไม่ได้หายใจเพื่อบังคับจิตแต่เราหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตงั้นหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้หายใจแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้นะหายใจแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้รู้ทันมันไปได้ในสวดปัญญามันจะเกิดน้ําจะเห็นเลยจิตจะวิ่งไปเพ่งหรือจิตจะวิ่งไปคิดเราห้ามไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้แต่ตอนเนี้ยความสนใจของหลายคนวิ่งมาทางนี้รู้สึกไหมจิตวิ่งมาด้านนี้เี่เห็นไหมห้ามไม่ได้จิตมันสนใจจิตมันจะไป สังเกตไ้มตอนนี้จิตของพวกเราหนีไปคิดเยอะแยะเลยะจิตหนีไปคิดดูออกไหมเราห้ามไม่ได้จิตจะคิดห้ามไม่ได้เมื่อเราคอยรู้สึกอยู่นะเราคอยหายใจไปเราคอยรู้ทันกายเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกนะเดี๋ยวโป่งขึ้นมาเดี๋ยวแฟบลงไปเหมือนถูกหนังใบหนึ่งนะกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างน้อนเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ เฝนะ้ารู้อย่างนี้ได้ไปนะปัญญามันจะเกิดมันเห็นว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้มีใครสั่งจิตได้บ้างช่วยสั่งหน่อยซิว่าเอา้าต่อไปนี้เธอจงบรรลุพระอรหันต์เอาสัง่งแลวสัง่งมันเชื่อไหมมันได้แต่หันไปหันมาเนาะมันไม่เป็นหรอกพระอรหันต์สังส่งซิจงมีความสุขอย่างเดียวเอาสั่งเข้าแดดร้อนมีจงมีความสุขความสุขเนี่ยนั่งตากแดดอยู่ตรงนี้ะ เห็ตั้งแต่แล้วใจเราไม่สบายใจห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้นะไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้มีศัสนาเนี่ยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะได้ห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะถึงวันหนึ่งนะเรียนไปนะเรื่อยนะเท่ารู้ไปใช้ลมหายใจอย่างที่คุณแม่สอนนี่แหละะ หายใจไปหายใจไปนะแล้วก็เห็นร่างกายมันเป็นคนหายใจใจเราเป็นแค่คนดูมันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดบ้างจิตลงลงไปเพ่งบ้างนะเพ่งลมหายใจบ้างจิตสุขบ้างจิตทุกบ้างจิตสงบบ้างจิตฟุ้งซ่านบ้างตามดูมันไปเร่อในที่สุดจะเห็นว่าจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยสุขก็สุขไม่นานทุ ก, ก็ทุกไม่นานฟุ้งซ่านก็ไม่นานสงบก็ไม่นานไม่มีอะไรคงที่เลย เรียนเพื่อให้เห็นความไม่คงที่นะอย่าไปเรียนเพื่อทําให้คงที่ตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยวิปัสสนานั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วินนปัสสนาทํำไปเพื่อบังคับมันให้ได้เมื่อไหรเราภาวนา ไ, ไปเรื่อยนะฝึกไปหายใจไปแล้วก็รู้สึกกายเห็นกาย ha <aphrag S 1> ไม่ใช่เรารู้สึกจิตใจเห็นจิตใจทํางานได้เองเดี๋ยวก็คิดเองเดี๋ยวก็เพ่งเองเดี๋ยวก็โลภเองเดี๋ยวก็โกรธได้เองดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุขเองเดี๋ยวก็ทุกข์ได้เองดูมันไปเรื่อยปัญญามันเกิดนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันจะเกิดขึ้น จิตมันจะรวมเข้าอปปนาสมาธิะตัวนี้เป็นกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอาศัยที่เราคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆไปนะแต่ว่าก่อนจะเกิดอริยมรรคเนี่ยพอรู้กายรู้ใจไปช่วงเนึองบางทีบางคนจะเบื่อมากเลยเห็นกายเห็นใจมีแต่ทุกข์น่าน้าเบื่อเอื่อมระอาบางคนรู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพอเริ่มเห็นความจริงแล้วว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา เขาเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นอย่างนี้นะใจยอมรับไม่ได้ใจจะรู้สึกเบื้องว่างวังเวงขาดที่พึ่งที่อาศัยนะบางคนก็รู้สึกกลัวตัวเราหายไปแล้วตัวเราหายไปไมันกลัวแล้วเราค่อยๆดูไปนะถ้าจิตใจมันเบือ่อก็รู้ทันจิตใจมันกลัวก็รู้ทันจิตใจมันรู้สึกเบื้องว่างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยก็รู้ทันไปหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆะจิตใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นในทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไป หลวงพ่อจะบอกแลนด์มาร์คที่สําคัญไว้นะแลนด์มาร์คที่สําคัญก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาญญาณแปลว่าปัญญามีปัญญาที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางต่อสังขารอะไรที่เรียกว่าสังขารความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขาร น, นะความสุขความทุกข์ก็เป็นสังขารความโลภความโกรธความหลงก็เป็นสังขาร <ítulo> อะไรๆก anyway. ็เป็นสังขารในขันทานี้แหละคือต mm. ัวสังขารทั้งหมดถ้าเราค่อยๆฝึกตามดูไปได้มีสติตามดูไปเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตที่เฉยๆก็ชั่วคราวมีใครไม่สุขชั่วคราวไหมมีไหมสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกใครทุกข์ถาวรมีไหมใครทุกข์ถาวรไม่มี เนี่ยเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นนะสุขก็ชั่วคราวนะทุกก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยนะเน้นที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเพราะเมื่อไรจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะ เ, เป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไไวว้นนนนะเเเ่่่กกกกกคาาาาดาด็ัังมมมมมออปล เป็นกลางอีกอย่างหนึ่งเป็นกลางด้วยมีสติเป็นกลางอีกอย่างหนึ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางแบบมีสติก็คือเช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าใจเราโมโ ห, โหขึ้นมาเราเห็นเลยใจมันโมหโหพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าใจโมหโหขึ้นมาไม่ดีคุณแม่บอกให้เมตตาโมหโมหไม่ดีใช่ไหมเราก็รีบไปรู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจเกิดยินร้ายไม่ชอบความโกรธนหรือความกุศลเกิดขึ้นใจเราหลงยินดี เราไม่รู้ว่ายินดีอย่างนี้ยจิตไม่เป็นกลางถ้าจิตยินดีเรารู้ทันจิตยินร้ายเรารู้ทันนะมันจะเป็นกลางด้วยสติแต่ถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากเลยก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญานะมันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวนะโลภหลดหลงอะไรต่ออะไรก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้้วยปัญญาใม ความสุขเกิดขึ้นมันไม่หลงระเริงละเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวดีใจเสียใจสมหวังกิดหวังมันไม่หลงระเริงเลยนะไม่เสียอกเสียใจเลยเพราะมันรู้ว่าชั่วคราวเห็นไหมพอมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจจะหมดความดิ้นรนเนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา ก่อนที่จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องหัดเจริญสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปจนปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินก็ชั่วคราวนั่งนอนชั่วคราวดูไปเรื่อยๆแล้วมีแต่ของชั่วคราวไปหมดเลยมาเสตียณก็มาชั่วคราวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปละทุกอย่างชั่วคราวนะดูไปทุกสิ่งในชีวิตเราถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลาง จิตที่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ไม่เป็นกลางนะมันจะดิ้นรนไม่เลิกพวกเรารู้สึกไหมอย่างจิตใจเราไม่มีความสุขเราอยากให้มีความสุขเนี่ยเราเกลียดความทุกข์จิตที่เกลียดความทุกข์ก็ดิ้นรนนะดิ้นว่าทํำยังไงจะมีความสุขหรือจิตมันดิ้นรนหาความสุขจิตดิ้นรนหนีความทุกข์การที่จิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานั่นแหะคือตัวทุกข์เลยจิตจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสร้างพบสร้างชาติสร้างความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา พวกเราเห็นไหมในใจของเรามีความอยากเกิดตลอดเวลาไปหัดดูนะเราจะเห็นในใจเรามีความอยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากคิดเดี๋ยวอยากหนีไปที่อื่นนะอย่างตอนนี้แดดร้อนอยากหนีละนะถอยได้นะถอยไปถอยไปอยู่ข้างหลังนะถอยได้นะแบ่งๆกันนะแบ่งๆหรือจะเอาเสือขึ้นคลุมก็ไม่ว่านะสัง <laughs> <laughs> เกตไหมตอนปวดร้อเมื่อกี้ใจฟุง้งซ่านหลออกไหม ลืมตัวองเนี่ยฝึกนะฝึกรู้อย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันพอเนี่ยจิตมันจะรวมรวบข้าวปนนาสมาธิรวมของมันเองนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับอยู่สองสามขณะแล้วถัดจากนั้นอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสอริยามรรคเวลาล้างกิเลสนะจะไม่เหมือนการล้างกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยการข่มไว้นะ อริยมรกเวลาล้างกิเลนล้างตัวไหนแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วล้างทีเดียวสะอาดหมดจดไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว่นค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราได้เป็นพระอริยะอย่าวาดภาพพระอริยะยากเกินไปอย่าวาดภาพว่าพระอริยะอยู่ไกลบรารมีเราน้อยมวัวแต่คิดว่าบรารมีน้อยไม่ภาวนามันก็น้อยไปทุกชาตินั่นแหละะงั้นถึงบรารมีน้อยก็ขยันภาวนานะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนี่เบื้องต้นให้มีสติคือรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่าให้ลืมตัวเอง ต่อไปก็หายใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนี่ขั้นเดินปัญญานะง่ายๆแค่นี้แหละลองไปทำดูนะไม่ใช่ไม่ยากหรอกนะบางคนใช้เวลานิดเดียวเองบางคนใช้เวลาฉับพลันเลยนคนไหนรู้ไหยฉับพลันเลยเยอะแ ย, ะ, ย, ะ, ยะเลยเช่นภาษารีบตรเป็นต้ น, นอย่านึกนะว่าจะบอกคนยุคนี้นไม่หลงกลหรอก ธรรมะไม่พ้นวิสัยนะธรรมะไม่ไม่ไมล้าสมัยตราบใดที่คนยังเจริญสติปัฏฐานโลกไม่ว่างจากพระอริยะนั้นเรหัดเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้ตายมีสติรู้ใจไปอย่าลืมกายอย่าลืมใจหายใจไปรู้สึกตัวไปแล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะแต่ไปค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกจิตใจก็ทํางานได้เองค่อยๆดูตัวนี้ไปด้วยมันจะเดินปัญญาได้ ถ้าหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนิ่งว่างๆอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้อ่าต่อไปหลวงพ่อจะสอนปิดท้ายนิด น, นึงเป็นเคล็ดลับของการดูจิตเพราะเราเคยได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตไหมยุคนี้ใครไม่ได้ยินนั้นเรียกว่าเวยแหลกเลยบางคนดูไม่เป็นหรอกนะก็ยังอุตส่าห์บอกว่าดูจิตใครไม่ดูจิตก็เรียกว่าล้าสมัยจริงๆเคล็ดลับของการดูจิตนะไม่ยากเท่าไหร่มีอยู่สามขั้นตอนนะการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัตินะ บางคนดูไกลก็ได้บางคนดูเวทนาก็ได้บางคนดูจิตก็ได้แต่พวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือการดูจิตไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะหลวงปู่ดุลยเคยสอนไว้เมื่อปีสองพันห้ารอยยี่สิบหกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดุลย์อยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมานะต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราไม่เชื่อนะจะรุ่งเรืองนะมันน่าจะรุ่งริ่งมากกว่าไปไหนก็ไม่เห็นมีใครรู้จักดูจิตเลย แล้วเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์เี่หลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าโอ้อาจารย์ตมโมดสอนให้คนดูจิตดีนะหลวงพ่อชาเนี่ยเคยบอกท่านไว้ว่าคนในเมือง่ะพวกปัญญาชนพวกคนในเมืองอะไรพวกนี้ยนะอย่าไปสอนเรื่องอื่นเลยสอนให้ดูจิตไปเลยแต่ต้องดูด้วยความเป็นกลางนะนั้นเราดูจิตไปนะแล้วจิตไม่เป็นกลางคอรู้ทันไหมดูด้วยความเป็นกลางจิตดีก็รู้ไป ไม่ต้องไปชอบมันจิตร้ายก็รู้ไปไม่ต้องไปเกลียดมันะรู้อย่างเป็นกลางไปได้แค่นี้เองนี่คือคําว่าดูจิตดูจิตก็คือจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เราจะดูจิตให้เห็นว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะก่อนจะดูเนี่ยอย่าอยากดูแล้วไปหลอดูเวลาพวกเราคิดถึงการดูจิตเนี่ยพวกเราจะไปดักดูไว้ก่อนไหนดูซิหายใจไปแล้วดูซิจิตจะกระตุกกระดิกเมื่อไหร่จ้องจ้องจ้อง จิตจะนิ่งไปเลยไม่มีอะไรให้ดูนะมีแต่นิ่ ง, งกดข้อที่หนึ่งของการดูจิตเนี่ยนะอย่าดักดูจริงๆการทํามิปัศสนาเนี่ยจะไม่ดักดูทางนั้นะดูจิตนิ่ ง, ง, งดูจิตเนี่ยห้ามดักดูเลยถ้าดักดูเมื่อไหร่จิตจะนิ่งการดูจิตเนี่ยก็คล้ายๆเราจะดูพฤติกรรมของเด็กสนส น, ส, นสักคนหนึ่งถ้าเราไปถือไม่เร็วเฝ้าไว้นะเราไปถือจ้องไว้เงี้ยเด็กก็ไม่กล้าสนใช่ไหมไม่กล้าสนจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปนั่งจ้องอยู่นะ มันไม่กล้าสนมันจะนิ่งกดข้อที่หนึ่งของการดูจิตนะอย่าไปจ้องมันไว้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยรู้เอานี่กฎข้อที่หนึ่งนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอาเช่นให้ใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยให้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธให้โลภไปก่อนแล้วรวู้ว่าโลภทําไมต้องให้มันเป็นไปก่อนคําว่าจิตตาอนุปัสนาเนี่ยโดยคําศัพท์มนะคือคําว่าจิตคําว่าอนุคําว่าปัสนาปัสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตาม ตามเห็นเนืองเนืองซึ่งจิตนะเพราะ ง, งั้นจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตโกรธไม่ใช่ไปรอดูนะว่าต่อไปนี้จิตชนิดไหนจะเกิดขึ้นถ้าไปอ่านสติปัฏฐานให้ดีท่านจะสอ น, นไม่ชัดๆเลยนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมราคะเกิดก่อนนะเรารู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายจงจงรอดูซิว่าอะไรจะเกิดในจิตของเธอไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนะ เพราะฉจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตหลงไปใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปไม่ห้ามนะจะใจลอยไปรู้ว่าใจลอยไปให้สภาวะเกิดก่อนแล้วตามรู้นี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองอันแรกก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอย่าไปดักนะอย่าไปดักดูก่อนจะดูเนี่ยก่อนจะรู้จิตก่อนจะดูจิตอย่าไปจ้องเอาไว้ให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยตามดูเอากฎข้อที่สองระหว่างดูจิตเนี่ย ระวังอย่าให้ถลําลงไปจ้องระวังอย่าถลําลงไปเพ่งอย่างพวกเราเวลาหายใจสังเกตไหมเวลารู้ลมหายใจบทีจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเวลาดูท้องพองยุบจิตชอบไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมบางทีจิตไหลไปอยู่ที่เทา้านี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมานะให้ดูสบายๆนะดูแล้วเหมือนจะเห็นว่าคนอื่นโกรธนะไม่ใช่เราโกรธนะดูห่างๆเราเห็นความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน หรือเหมือนเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหน้าสเสตีย์อย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรามันมาแล้วมันไปมันมาแล้วไปใจเราอยู่ห่างๆกฎข้อที่สองเวลาดูเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องดูห่างๆดูสบายๆดูแบบคนวงนอกดูเหมือนคนดูฟุตบอลนั่งบนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอย่ากระโดดลงไปในสนามฟุตบอลกฎข้อที่สามก็คือเมื่อเห็นสภาวะใดๆแล้วนะอยากเข้าไปแทรกแสงอันที่หนึ่งก่อนจะรู้อย่าไปดักรู้ อันที่สองระหว่างรู้อย่าไปเจองอย่าไปถล่มไปจ้องอันที่สาเมื่อรู้แล้วอย่าเข้าไปแทรกแสงนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมันโกรธอย่าไปห้ามมันไม่ต้องห้ามมันความ โ, ามโกรธก็จะแส ด, ด ämän, งไตรลักษณ์ให้ดูเกินนะกดได้ก็ดับได้เหมือนกันความโลภเกิดขึ้นก็อย่าไปว่ามันนะก็จะเห็นนะความโลภเกิดแล้วก็ดับได้ความสุขความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับขอมันเองสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดมดเหตุก็ดับบับงคับไม่ได้เราจะเห็นอย่างนี้เนื่องเนือง นั้นเราไม่ใช่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็เข้าไปแทรกแซงยกตัวอย่างเวลาใจลอยไปเรานั่งหายใจอยู่พอใจลอยปุ๊บวุยใจลอยไม่ดีดึงกลับมาอยู่ที่ลมบังคับจิต <c oughs> นะไม่ให้หนีไปไหนนะอย่างนี้นี้แทรกแซงแล้นะอย่าไปแทรกแซงนะให้รู้สักว่ารู้รู้สักว่ารู้หมายถึงรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าพวกเราทำได้สามขั้นตอนนี้นะก่อนจะดูนะ อย่าอยากดูแล้วถลําเข้าไปจ้องไปอยากดูแล้วก็ไปคอยดักดูไว้ก่อนอันที่สองระหว่างดูอย่าถลําลงไปจ้องดูอยู่ห่างๆเหมือนคนดูฟุตบอลอยู่บนอัฒจันทร์อันที่สมรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแสงมันดีก็รู้ไปมันก็จะเห็นว่าดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันชั่วนะก็เห็นไปความช <ją S 2> ั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันสุขก็รู้ไปนะก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปทั้งสิ้นเลย อย่าเข้าไปแทรกแซงถ้าเข้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อนั้นเลยเป็นการทำสมถะกรรมฐานจําได้ไหมข้อที่หนึ่งว่าไงอ๋อตอบถูกเพราะว่าจดไปแล้วอา้าวข้อสองว่าไงสสิวิมลก ด, ดข้อสองระหว่างรู้ทําไงเอออย่าไปเพ่งอย่าถลํำลงไปเพ่งเอานัดทว ด, ดีรู้แล้วทํายังไง อย่าแทรกแซงโอ้เก่งนะลูกฝตของคุณแม่นี่ใช้ได้เลยนะถ้าบอกว่าก่อนจะรู้ว่ายัางไงอย่าไปเพ่งระหว่างรู้เป็นยังไงอย่าแทรกแซงรู้แล้วเป็นงไงอย่าไปดักไว้ตายเลยนะพอไหวไหมจริงๆแล้วการดูจิตดูใจนะเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับคนในเมืองนะพวกเราไม่มีเวลานั่งสมาธินานม า, นานหรอก ชีวิตของเราเนี่ยนะคิดทั้งวันจิตใจของเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงทั้งวันรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันนันแหว่งตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยถ้าอยากทํำวิปัสสนานะตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปแทรกแซงมันแค่นั้นแหละใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจร้ายตามรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไปแล้วจะเห็นความจริงที่น่าสยดสยองคือนางมารร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่นี่เองนะไปฝึกหน้าลูกศิษยหลวงพ่อแต่ละคนเนี่ยเลวสุดๆเลย เพะอะไรเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยคนพว <Rio> ก น, นี้ดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าชมนะคนทั่วๆไปที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยจิตเป็นอกุศลแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองชั่วอยู่ใช้ไม่ได้นะอย่าวพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลได้ดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลนะอย่างเราเห็นกิเลสเยอะแยะเลยจิตเป็นอกุศลเรารู้ทันอย่างเนี้ยท่านว่าดีนะ ไม่ใช่ว่ามีกิเลสเยอะแล้วไม่ดีอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้ต่อเป็นนี่หัดรู้ตัวเองนะอย่าใจลอยทุกวันแต่ซ้อมนะไหว้พระสวดมนต์เข้าอย่าละเลยชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งแทบเป็นแทบตายดูมุสลิมละหมาด ว, วันละห้าครั้งเขาทําได้ชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งทําไม่ได้ไอายคานะเอเพราะนั้นเราสวดมนต์ไหว้พระไปนะนั่งหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจนั่งหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะ ถ้าฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะต่อไปเราจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ยากเลยร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นมาเองจิตเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นมาเองลองไปซ้อมดูนะแล้วดูว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะหมดระคังยกหมดแล้วเชิญใครจะถามใครรู้สึกบ้างว่าใจลอยเห็นไหมเราลืมตัวเราเองละนึกออกไหมอย่านึกนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแยกส่วนออกจากการใช้ชีวิตธรรมดา การปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตธรรมดานั้นเป็นอันเดียวกันเลยถ้าเรายังคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องมักผลหรอกอีกไกลแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติกละการมีชีวิตธรรมดานี่เป็นอันเดียวกันเลยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปนะจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วคอยรู้สึกไปได้มักผลไม่ไกลรหรอกหรอกบางคนใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกนะก า, การจมัสการหลวงพ่อคะ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหน่หนนคะเธออยู่ไหนอนะอะว่าไปกันวัดสการค่ะคือจากที่เคยไปว่าหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ให้มากันม า, มาปฏิบะะัติค่ะก็มาปฏิบัติก็รู้สึกว่าต อ, ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าตัเองชอบหลงไปคิดนะคะแล้วก็ปรุงแต่งเหมือนกับมีความสุขอะคะ่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้นน <ะ S 2> ยน่าหลับไปรู้ทันนะความสุขลมมแล้งแรง แล้วก็หยุดพอสักพักก็จะมีอีกมาอีกก็ปรุงแต่งอย่างเงี้ยก็รู้ไปนะเห็นไหมจิตมันคิดได้เองค่ะเฝ้ารู้ไปเพื่อให้รู้ทันตัวนี้แหละจิตมันทํางานของมันได้เองไปเรื่อยแล้วอยากอยากขอการบ้านเพิ่มอะค่ะดูลก <ขอ S 1> ปัจจุบันแต่ขณะนี้จิตมีโมหะดูออกไหมก็ออกค่ะใช่ไหมมันมัวใช่หไหมแล้วมันแน่นดูออกไหมนิดเออนิดนึงเถ <c oughs> ียงแทนกิเลส ด, ด้วยว่านิดเดียว <c oughs> ไปดูเอานะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่แทรกแซงมันอย่าไปจ้องไว้นะตอนเนี้ที่ผิดคือผิดกฎข้อที่หนึ่งคือไปจ้องเอาไว้วบังคับไว้วไปดักไม่ให้มันกิดดิบขึ้นมาไปดักเอาไว้อ่าคนต่อไปขอบพระคุณค่ะค่ะกับท่านเจาการหลวงพ่อนะคะฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งไม่ทราบว่ารู้ไก่รู้ใจเนี่ยจะ ทำยังไงอะคะก็รู้อยู่แล้วล่ะใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะดูออกไหมวันวันหนึ่งกิเลสเกิดเยอะแยะเลยนั่นแหละเรียกว่าเรารู้แล้วล่ะเมื่อไหร่รู้ทันนะกิเลสเกิดแล้วรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดแล้วรู้ทันก็ถือว่าเรารู้อยู่แล้วเอย่าตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมจิตนี้ไปคิดแล้วค่ะแล้วจรรยาสเดแบบไหนถึงให้ทุกข์เล็กน้อยลงแล้วรู้ว่าว่าสิ่งที่นี่เป็นความทุกข์นะคะ ทำไมนะเจริญสติแบบไหนถึงจะให้ความทุกข์มันน้อยลงเจริญสติให้ถูกหลักมันก็ทูกน้อยลงอย่างที่เรรู้เจริญแบบไหนดีคะแบบรู้รูปแบบอ๋อรูปแบบเหรือทางด้านจิตตัวหนูคือเป็นคนเป็นคนช่างคิดนะดูจิตไปเลยดูจิตไปเลยเออนะถึงแต่จุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็หัดเดินจงกรมบ้างเพิ่งเพิ่งไปเดินมาแต่ว่าไปมองตรงเท้าค่ะเอออย่างนั้นไม่ได้ไปเพ่งไว้ เวลาเดินจงกรมนะั้แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายเห็นร่างกายมันเดินไปนะถ้าใค่รู้สึกค่ะเวลาเวลานั่งสมาธิแบบรูปแบบที่บ้านอาลีนะคะทีนี้มองเหมือนเห็นมือแต่ว่าไปคิดอย่างอื่นให้รู้ทนันว่าจิตลงไปคิดแล้วควรจะกลับมาที่ฝึกรูปแบบหรือเปล่าคะรูปแบบต้องทํานะแต่เวลาฝึกกรรมฐานาในรูปแบบไม่ใช่ว่าต้องไปเดินจงกรมในรูปแบบหรอก ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะจิตมันตื่นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่อย่างตัวหนูในตอนนี้ไม่ตื่นแล้วเห็นไหมแอบไปคิดแล้วฝันไปละ้วงี้เราจิตเราแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะจะรู้ว่ารู้แล้วรู้ทันจิตแล้วล่ะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละตอนนี้ตอนนี้ฉลิดเป็นยังไงคะฉลิดเหรอไปดูเอาสิเห็นไหมเราเป็นคนช่างคิด เราเป็นทิฏฐิจริตนะเราช่างคิดรู้รู้่าช่างคิดไม่อยากให้คิดจะต้องไม่ใช่หลวงพ่อสอนแทบตายเลยว่าอย่าไปห้ามมันนะเอไม่ใช่ว่าอยากให้คิดนะคิดจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปคิดก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดนะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหิน แต่เราคอยรู้ทันไปจิตไปคิดรู้จิตไปคิดรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะค่ะเดี๋ยวสติตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นมาอีงทีนึงนะคะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบางทีก็ปล่อยวางได้ให้อภัยแต่บางครั้งมันก็ไม่ยอม ต, อต้องไปฝึกอีกนะยังไม่พอยังไม่พออื่า ค, คนต่<ข>อไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอฟังซีรีหลวงพ่อมาประมาณตีครึ่งแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อที่ศรีราชาประมาณสาครั้งเปล่ยนจิตเปลี่ยนแปลงไหม เห็นจิตเอเปลี่ยนแปลงแต่เห็นเกิดไม่เห็นดับเจ้าค่ะเพราะมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยจ้ะไม่เป็นไรเราเห็นเท่าที่เห็นได้คะแต่บางคนเห็นแต่ดับไม่เห็นเกิดเลยมีแต่ไหววับดับวับดับวับประดับซับวับวับวับวับจะกราบขอความเมตตาหลวงพ่ออย่าบังคับจิตให้นิ่งค่ะนะบังคับจิตอยู่รู้มันไม่ใช่บังคับมันนะะค่จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตมาอยู่ข้างนอก จิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมค่ะะมันลืมตัวเองย้อนกลับมาดูที่ตัวเองนะค่ะกลับมาอยู่ที่ร่างกายที่จิตใจนี้ต้องไปปฏิบัติแบบไหนเพิ่มบ้างไหมเจ้าคะตอนนี้ไปทํางานที่บ้านดีที่สุดนะหรือมาช่วยทํางานที่นี่ก็ได้ค่ะทํางานไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปพวกเราอย่าหัวเราะนะกรรมาฐานที่ดีที่สุดนะทํางานนะทํางานไปกวาดหญ้าเก็บใบไม้ไปนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวทําตัวเป็นคนดูไปเรื่อยๆนั่นแหละกรรมาฐานที่ดีที่สุดเลยค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับนมัสการครับช่วยย้ายมาทางนี้ได้ไหมหลวงพ่อเนี่ยหัวกับคอมันไม่สามารถขี่กันถ้าหันไปแล้วนะมันจะไม่ยอมหันกลับมาละ <c oughs> เอาเลยหลายๆคนมาใครจะถามบ้างนะมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเลยช่วยหลวงพ่อนิดนึนง กับนมัสการครับหลวงพ่อครับอย่างนี้ครับคือฟังสี่ีหลวงพ่อมาประมาณสองปีแล้วนะครับแล้วก็ปักนี้จะเห็นจิตที่มันคิดตลอดเวลาครับเวลาที่อยู่กับตัวเองสงบอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับมักจะเห็นจิตมันคิดตลอดก็ถูกแล้วนะจิตมีหน้าที่คิดไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามคิดแต่ฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองครับจิตไม่ใช่ตัวเราครับ ที่เคยฝึกมาเป็นสมถะครับหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้ไม่เป็นแะ้ตอนนี้ไม่เป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้จิตมันเดินตัญญาได้แล้วครับแล้วตอนนี้สมควรจะเดินทําอะไรต่อครับหลวงพ่อครับก็ดูจิตใจแต่นะแล้วก็แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบบ้างครับใช้นั่งนั่งนั่งสมาธิได้นั่งได้นะแต่อย่านั่งให้เคลิ้มนั่งแล้วรู้สึกนั่งแล้วรู้สึกครับกลับขอบพระคุณครับ พ่อครับพดีเพิ่งฟังเพิเ่อองเจอหลวงพ่อหันแย่ครับอืก็จะขอถามครับพอดีหลวงพ่อหลวงพ่อสอนสามข้อข้อที่สามว่าอย่าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าใจเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วเราไม่ไปหยุดไปยั้งคือวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อให้เป็นคนดีต้องแจกให้ออกนะไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตเกิดความสุขไม่ได้ฝึกให้จิตมีความสงบแต่วิปัสสนาฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราหรอก เวลาจิตเกิดอกุศลเนี่ยถ้าสติของคุณระลึกรู้ได้อย่างถูกต้องนะอกุศลจะดับโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปกลัวอกุศลหรอกนั้นคุณฝึกจนสติจริงๆเกิดนะหัดรู้สภาวะไปได้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจอยากหายโกรธก็รู้ใจอยากหายโลภก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆเมื่อไหร่สติที่แท้จริงเกิดอกุศลจะไม่มีเด็ดขาดเลยเพราะอากุศลเกิดร่วมกับสติไม่ได้ ช่วแรกๆมันก็จะไหลไปเรื่อยใช่ไหมสมมติเราเห็นว่ามันไหลไปเพราะเราไม่รู้ทันทันทีที่รู้ทันอกุศลจะดับทันทีเลยยกตัวอย่างจิตที่แอบไปคิดจิตที่แอบไปคิดเป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะโมระจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยมันไม่หลงไปในโลกของความคิดแล้วอย่างเวลาคุณเกิดราคะได้เกิดโทสะได้คุณดูให้ดีเถอะมันตามหลังความคิดมา อี่ยงคุณไปเห็นสาวขึ้นมายังไม่ทันคิดอะไรนะสมมติเห็นปุ๊บแล้วยังไม่ทันคิดนะราคายัางไม่เกิดคุอเห็นแม้แันมีดีเลยท่ามนิดหนึ่งคุณต้องคิดก่อนอุ้ยสวยอย่างไรเงี้ยราคาถึงจะเกิดเแต่ถ้าคุณมีสตินะรู้ทันว่าจิตไปดูเนี่ยราคาไม่มีโอกาสเกิดนะไม่ขาดไปเองนะแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนบอกแล้วราคาจะเกิดขึ้นมารู้ว่ามีราคาอย่าไปห้ามนะแต่สติเนี่จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหลือกี่คนล่ะ ฮะทำไมเอาเอาเอันนี้สิธก่อนกรับกราบนัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอโอกาสในการถามค่ะเวลาเวลาอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์ไม่ว่าจะท่านใดก็จะมีอาการตกเรงตั้งใจมาก อ, มอย่างนี้จะแก้ไข ย, ยังไงห้ามไม่ได้ดูออกไหมจิตมันจะเกรงขึ้นมาห้ามไม่ได้ภา<ช>วนาเพื่อให้เห็นหน้าว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันถูกปีบคั้นอยู่ตลอดมันบังคับไม่ได้ ตัวนี้มันสแสดงให้เห็นแล้วมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมมันจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เรามันตื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบเนี่ยใจเราจะทุกข์นะแต่ถ้ามันตื่นเต้นเรายอมรับว่าจิตมันตื่นเต้นเราแค่เป็นคนดูนใจยังไม่ทุกข์หรอกค่อยๆฝึกไปอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่างตอนนี้ทําไมมันแข็งทื่อขึ้นมาเพราะเราแทรกแซงจิตตื่นเต้นห้ามไม่ได้ เราไม่อยากให้จิตตื่นเต้นเห็นไหมตรงนี้เริ่มกระ บ, บวนการแทรกแสงแล้วมีความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เลยไปประคองให้นิ่งมันก็เลยนิ่งกว่าความเป็นจริงให้รู้ทันไปเหมือนจะไม่ใช่บุคลิกของตัวเองใช่ไม่ใช่เป็นตัวปลอกไปหลวงพ่อชอบเรียกเรื่องหมูกระดาษใครเคยเห็นหมูกระดาษไหมหมูกระดาษข้าเอากระดาษมาแปะแปะเป็นหมูนะข้างในกลวงนึกหรอกไหมถ้าเราค่อยๆลอกเปลือกออกเรื่อยๆในที่สุดจะพบว่าข้างในไม่มีอะไร สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันเราสร้างเปลืกขึ้นมาให้ดูสวยดูงามอย่างเวลาเราจะคุยกับคนนี้เราก็ทําเปลือกแบบนี้คุยกับคนนี้เราก็ทําเปลือกอย่างนี้ขึ้นมาเราลอกหน้ากากตัวเองนะลองดูลอกไปเรื่อยๆลอกไปเรื่อยๆถึงสุดท้ายเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกค่ะคุณมาสแตนเจ้าค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการปฏิบัติของโยมเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะดูไปนะั่จิตมันไม่ตั้งมั่นอย่างตอนนี้จิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันมีย้อนเข้ามาที่ตัวเราเอง พยายามกลับมารู้สึกที่ความรู้สึกบ่อยๆนะใจมันได้กลับเข้ามาหาตัวเองที่ฝึอกอยู่ใช่ได้เจค่ะในนิสิตนักศึกษานิสิตเนาะถามธรรมสถารหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะอยากถามถึงการปฏิบัติของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงอะคะก็ดีนะใปขยันดูน ะ, <ค>ะแล้วก็ทํางานไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่ฝึอกอยู่ใช่ได้ใจมาตื่นแล้ว<ข>รู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออมันตื่นแล้ว อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะแอไปคิดรู้ไหมอย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเห็นว่าตัวเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สลับไปสลับมาตลอดแล้วก็พดูเป็นอย่างชั่วโมงเลยค่ะอย่างนั้นคือเราก็ดูเรื่องความเป็นกลางเห็นไหมไม่แทรกแสงไม่เข้าไปเพ่งไปจ้องมันเคลื่อนไหวตลอดเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเองเราไม่ได้ไปดักไว้ด้วยระหว่างดูเราก็ไม่ได้เข้าไปจ้องมันก็ยังเคลื่อนได้ดูไปอย่างนั้นนะดูอย่างเป็นกลางคุณสิ่งที่ยังขาดอยู่คือยังไม่ค่อยเป็นกลาง เวลาเจอความทุกข์ยังไม่ชอบอยู่อยากให้มันสุขอะไรเงี้ยให้รู้ทันเอาเอานิสิตคนต่อไปกล่าวนสการค่ะหลวงพ่อดังๆกล่าวน้ำสกาค่ะหลวงพ่อเออฟังลงฟังเสดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแป๊บหนึ่งอย่ไปเพ่งไล้เราอะเกรงไปหมดแล้วทำตัวสบายๆเดี๋ยวช็อกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถามนะอ่ะ ก็พยายามตามรู้นะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมัางอะค่ะเร่จงใจรู้นะจรื่อจงใจรู้รู้ไปสบายๆให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาบางทีแอบจงใจไปรอดูดูซิเมื่อไหร่จะมีอะไรให้ดูยังดักรู้ใช่ไหมเออไปดักรู้อยู่ดูออกไหมชอบดักพอคิดถึงการปฏิบัตินะปุ๊บไหนมีอะไรเนี่ยใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหรอกคือจะ ขอถามอีกข้อน่งนะคะรู้รู้รู้ตัวกับหลงรู้ต่างกันยังไงคหลงนะหลงรู้นะเหมือนกับรู้อยู่แต่ไม่รู้จริงหรอกจิตไม่ตั้งมั่นอย่างบางคนนะภาวนาไปเห็นสภาวะเกิดดับทั้งช่วงนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเนี่แล้วมันโล่งมันว่างอยู่นะเหมือนนีจะรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยจริงๆหลงอยู่จิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตไหลไปแล้ะขอกันไรหลวงพ่อค่ะอย่าหลงรู้สิอย่ากดไปนะอย่าประคอง อย่รักษาไว้ไม่ดีก็ได้ห้ามชั่วนะแต่ไม่ดีก็ได้หมายถึงว่าห้ามชั่วหมายถึงอย่าทำกิจศีลห้าแต่จิตมันไม่ต้องสั่งมันให้ดีตลอดมันไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแค่นั้นพอละกลาวนพิธการหลวงพ่อค่ะคือโยมคือคือโยมอยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยใจมันเครียดใจมันเครียดเราก็รู้ว่ามันเครียดนะแต่ตอนนี้ใ จ, ใจมันตื่นเต้นมากนั่นแหละนะเราค่อยรู้ไปทุกอย่างที่มันเป็น ดูเหมือนดูคนอื่นไปได้ดูมันเห็นคนอื่นตื่นเต้นอย่างเงี้ยตัวเราเป็นแค่คนดูคือคือบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นโยมจะรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราเสียใจ้าหน้าเราจะรู้สึกว่าเหมืนมีคนไม่ยืนดูเราอยู่ยืนดูความเสียใจนั้นอยู่อะค่ะมีคนหนึ่งเป็นคนดูนะแต่คนที่ดูเนี่ยต้องไม่แข็งๆนะดูอย่างสบายๆอย่างเงี้ยใช้ได้ถ้าดูอย่างนี้ไม่ได้คนที่ดูไม่มีความรู้สึกอะค่ะเออคนที่ดูไม่มีความรู้สึกนั่นแหละที่เรียกว่าตัวผู้รู้ล่ะ ตัวผู้รู้นะมันไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกตัวที่รู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมปนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสังขารตัวผู้รู้เป็นตัวจิตจริงๆแต่ว่าอย่าประคองตัวผู้รู้นะติดประคองตัวรู้อย่าประคองตัวผู้รู้ไว้อันนี้เป็นการบ้านหรือเปล่าคะใช่อย่ารักษาตัวผู้รู้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ดีเกิดรู้สึกมาตอนเหมือนเวลาไม่ตั้งใจจะมาค่ะใช่ถ้าตั้งใจแล้วก็เป็นของปลอมไถูกต้อง ถ้าตั้งใจนะคำว่าตั้งใจนะจริงๆคือคำว่าโลภะไม่ใช่ตั้งใจหรอกโลภเนี่ยอยากให้มีเพรอยากให้มีสติไม่เกิดหรอกเพราะว่าความอยากมันเกิดซะถ้าสติไม่เกิดเพราะเราจำไว้นะสติจะไม่เกิดล้อมกับกิเลสต้องเกิดคนละเวลาค่ะขอบ พ, พระคุณครับอา้าวนิสิตคนต่อไปกราบขอบค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือชอบใจมากอาจารย์บอกว่านางมาร้ายเจ้าค่ะเพราะว่าตัวเองมากเ แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกินเจ้าค่ะหลายๆรอบหลายครั้งให้รู้ทันอย่าให้ความรู้สึกครอบงําจิตนะเจ้าค่ะความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นรู้อย่าให้ความรู้สึกครอบงําจิตของคุณแไปปล่อยความรู้สึกครอบงําจิตหยู่เจ้าค่ะอย่าไปยอมมันเจ้าค่ะใจแข็งไว้เจ้าค่ะหลวงพ่อคะจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วทําไงให้ <รง S 1> ใหมันหลวงพ่อเหรอ หนูหนูถามว่าหนูหนูฝ่าปฏิบัติอยู่เป็นยังไงก็ดีแล้วล่ะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเราต้องพัฒนาขึ้นยังไงคือดูความรู้สึกของตัวเองไปได้ตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนใช่ไหมอย่างเห็นอันนี้ชอบเห็นอันนี้เกลียดหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหม ลิ้นเราถูกกระดรสความรู้สึกก็เปลี่ยนรถนี้ชอบรถนี้ไม่ชอบชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจใจเราคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนเนี่ยถูกแดดร้อนรอนรู้สึกไหมสดชื่นสดชื่นจังเลยไม่รู้สึกอะ่ะเห็นไหมแล้วหนูแบบปฏิแบบมันจะพอมันจะได้ยินคําว่าพอฟุ้งไปแล้วอ่ะรู้ว่าฟุง้งรู้ว่าฟุง้งรู้ว่าฟุง้งมันจะมีเสียงภาคจ น, นเร<อ>าให้รู้ตั้งแตว่าจิตมันภาคห้ามมันไม่ได้หรอ แล้วบางทีอย่างแบบโมโหคนมากๆพยายามรู้โมโหรู้โมโหแต่รู้แต่ไม่ไังโมโหอยู่รู้ไม่เป็นกลางรู้แล้วอยากให้หายเห็นไหมขาดข้อที่สามรู้แล้วไปแทรกแซงมันอยากให้มันหายไม่เป็นกลางขอให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบโมโหไม่ชอบโมโหเออให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะขอถามอีกข้อเดียวค่ะที่ตอนหลวงพ่อครั้งที่แล้วบอกให้ดูกายอะค่ะก็พยายามดูอยู่แต่มันรู้สึกว่า ยังดูไม่เป็นนะคะไม่ใจใจเห็นไหมอีตัวนี้พังงักพังับอย่เงี้ยเห็นไหมเราทำอย่างงี้นะก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูวันเดียวเลิกนะดูไปเรื่อยๆจะดูตลอดดูไปดูแล้วเห็นจิตชัดอไม่ใช่ดูกายเพื่อจะรู้กายหรอกดูกายแล้วเจะรู้ทันจิตรู้สึกไหมดูพยายามรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะกลับไปรู้จิตนั่นแหละดูกายไปแล้วเห็นจิตขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ คุณแม่ด้วยอุสานี่มนหลวงพ่อมาครับนำ้ำมศการหลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับเออตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็กดๆอยู่อะครับือจริงๆแล้าตอนที่ทราบว่าหลวงพ่อจะมาเนี่ยก็คิดเห็นจิตคิดอยู่ตลอดว่าจะส่งการบ้านหลวงพ่ อ, อยังไงดีแล้วพอเจอหลวงพ่อขณะที่ฟังอยู่จู่ๆก็เห็นติตนิ่งแบบนิ่งจู่ๆก็นิ่งขึ้นมาอือ เมื่อมันกลัวหลวงพอ่อจิตนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะจิตกลัวให้รูว้ว่ากลัวเห็นไหมมันนิ่งเองมันกลัวเองนั่นแห ล, และเรียกว่าเราดูเป็นมันทํางานของมันเองดูไปเรื่อยๆได้ตอนเนี้เป็นหน่วงจิตให้ซึม<ช>เป็นหน่วงจิตให้นิ่งๆซึมๆนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูไปนักปฏิบัติที่ดีนะแทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ภาวนามไม่เป็นคนที่ภาวนามไม่เป็นเนี่ยนะจิตแฝงขึ้นแฝงลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลย นักปฏิบัติที่ที่ไม่ดีนะก็คือไปบังคับไม่ให้มันเคลื่อนไหวไจะต้องให้ดีตลอดสุขตลอดแต่นักปฏิบัติที่ดีเลยนะจิตแหวงขึ้นแปวงลงตลอดเวลาแต่มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆต่างกับคนธรรมดานิดเดียวตรงที่มีสติตามดูมันไปเรื่อยๆคนที่ใส่แม่นี่ยใช้ได้นะ อ, อนั่นแหละภาว น, นาไปรู้สึกตัวไปเรื อ, อ่าว่าไปนะมาสักการ์ดหลวงพ่อค่ะก็คืคอ เคยฟังซีดีอยู่อะค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติอยู่อย่างเมื่อกี้ที่เขาพูดก็รู้สึกคิดตามไปเยอะเหมือนกันือค่ะที่คนก่อนหน้าพูดก็มีคิดคิ ด, คดตามไปอ่ะค่ะเออแต่ตอนนี้ตื่นเต็นมากค่ะแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่นี่มันมีความรู้สึกว่ามันก่อนหน้านี้มันเพ่งเยอ ะ, ะ, ะอะค่ะเออเราก็อย่าไปเพ่งนะถ้าเราเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งไม่แสดงใจรักเลยายากจะขอการบ้านหลวงพ่อเนี่ยค่ะ ก็ไปดูกายดูใจของเราเลยน ะ, ะการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกนะการปฏิบัติทำเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจแล้วเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆอเห็นกายทํางาน <c oughs> เห็นใจทํางานมันแสดงไสรักอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมที่ใส่แว่น่หน้าใจมันตื่นขึ้นมาเรารู้ทันใจมีปิติเรารู้ทั น, ใ จ, รรทนใจเป็นยังไงรู้มไปเห็นไหมปิติที่เกิดตะกี้ดับไปแล้ว ทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้เองไม่ใช่ดูไปบังคับให้นิ่งตอนเนี้บังคับมากไปล้วกลับนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยมชื่ออัชลาวดีเป็นนิสิตสาวิกาสิขาไยค่ะโย ม, มาเรียนสาวิกาสิขาไลาก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมากับลหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือโยมไปฟั ง, ลงหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็อยากถามว่าโยมปฏิบัติเป็นไงบ้างเจ้าค่ะใช่ได้นะคอยดูต่อนะ ดีแล้วล่ะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมหลวงสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเป็นนิสิตสามีกาเจ้าค่ะก็ได้ฟังเทปของหลวงพ่อมาหลายครั้งเจ้าค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อให้การบ้านเจ้าค่ะเวลาเรารู้ลมหายใจนะแล้วใจหนีไปนะอย่าไปดึงมันคืนมานะเวลาใจลอยเนะี่ยอย่าบังคับมัน แค่รู้ว่าใจลอยจะฟุ้งมากเลยเจ้าค่ะ น, นแหละใจเราชอบฟุ้งอ่ะหลวพ่อถึงบอกว่าหายใจไปนะแล้วเวลามันใจลอยไปอย่าบังคับมันนะแค่รู้ว่ามันหนีไปงั้นไปฝึกหายใจไปเรื่อยๆแล้วเห็นใจหนีไปคิดแวบหายใจอีกใจหนีไปคิดแวบแต่ไม่บังคับนะให้มันนิ่งะจะตังให้เธอแล้วหลวงพ่อแก่ <laughs> แล้วปะก็ตื่นเต้นนะคะ ก็เป็นศิษสาวิการศิขา์ชายนะคะก็อยากจะกราบข อ, อนด้มาสานหลวงพ่ อ, อช่วยให้การบ้านเป็นแนวทางในการไปดําเนินปฏิบัติทํางานไปนะค่ะทำงานไปเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูเรื่อยๆไม่แบ่งแยกการปฏิบัติออกจากการทํางานในชีวิตจริงๆนะถ้าคนไหนไปแบ่งแยกนะเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติเชาตินี้ไม่ได้มรรคผลหรอก งั้นเราพยายามมีสติให้บ่อยที่สุดรู้สึกไปเรื่อๆช่วยคุณแม่ทางานไปเหนื่อยขึ้นมาหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดขี้โมโหรู้ว่าขี้โมโหเป็นไงรู้รูปเดียวเลยดูเขาทำงานเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานแต่นมรสา ก, การหลวงพ่อครับคือคื อ, คอมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังคือช่วงประมาณเดือนกว่ากว่าไม่ได้ยินอ เชิช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาคือใจได้เห็นความทุกข์ของกายและก็ของใจอย่างชาัดเจนรวมทั้งได้เห็นความทุกข์ของการได้เกิดมาในวตรตรสสแล้วลเป็นกลางไมงหมไปดูนะเห็นความทุกข์จริงแต่ไม่เป็นกลางไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปบถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยจะรู้ถูกข์ถูกพอดีเลย ตอนนี้เราเห็นทุกเราเบื่อหน่ายเราเอื่อมลาเราไม่ชอบเราอยากพ้นไปะให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวเนี้ยไปฝึกตัวนี้ขอโหกาเจ้าค่ะขออนุญาตถามความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็ขอการบ้านทุกค่ะอย่า ก, กดไลยนะก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้ากว่าเก่าแล้วพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดีลูกสิษคุณได้รอบนี้พอหน้าดีขึ้นเยอะเลย ขยันภาวนาน่าได้ข่าวว่าคืนแรกเปิดห้องพระธาตุ24ชั่วโมงอย่าให้พระ่านเหงานะให้นั่งภาวนาสบายเทวดาเขาก็นั่งด้วย <ขอ S 1> หมดยัง<อ>ไหนไหนขอโอกาสจ้ะเอาหลวงพ่อต้องดูเราด้วยหูแล้วเอาว่าไปอยากถามถึงความก้าวหน้าแล้วก็อยากได้กันบ้างนะคะ เครรู้ทันนะใจมันแอบไปคิดใจมันฟุง้งซ่านเคยรู้ว่ามันฟุ้งซ่าน ร, รู้สึกไหมมันช่างคิดน่ะมันจะหนีไปเรื่อยๆนะแล้วอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้ดูมันสบายๆไปตอนนี้กดอยู่ทราบไหมอย่าไปกดสิบังบังคับไว้ไม่ดีไปล่ยมันแล้วใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจใจคับแค้นรู้ว่าใจขับแค้นใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆ ดูเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะขราพเจัณ ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีนะเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็ช่วงแรกก็เห็นสภาวะรมเกิดดับเนี่ยนานๆนน ห, นหนึ่งเจ้าค่ะ mm hmm. แต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยเห็นถี่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะ mm hmm. สิ่งที่เห็นมากที่สุดคือความหลงเจ้าค่ะห mm hmm. ลงไปตลอดเวลาทั้ง mm hmm. วันเลย mm hmm. ดีขณะนี้เนี่ยสีจันที่ผ่านมาเห็นกายเคลื่อนไหว เมื่อไก่ขึ้นไหวก็รู้เจ้าค่ะค่ะก็ดีสิก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะปฏิบัติใช้ได้นะแต่อย่าบังคับตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมเจ้าค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเจ้าค่ะตื่นเตไปกดอยู่เจ้าค่ะปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วตามดูจ่ได้ใช่ได้หลุดออกมาแล้วเมื่อกี้เจ้าค่ะค่ะแล้วก็ลูกขอถามอีกคําถามหนึ่งเดียวหลวงถามคนอื่นเถอะใครใจลอยบ้างยกมือขึ้น โอเริ่มเป็นเริ่มรู้แล้วใช่ไหมใจลอยใจลอยนะอย่าดูถูกนะที่หัดดูใจลอยเนี่ยสําคัญมากเลยเพราะความใจลอยเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราหลงไปคิดตลอดเวลาเลยนั้นต่อไปนี้ฝึกหน้าใจลอยไปแล้วสนใจเขาไปดูเขาลืมตัวเองแล้วรู้ทันนะวว่าใจลอยไปแล้วบางทีก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิด คอรู้ทันใจลอยนะจุดไปง่ายๆอ่ะเอาข้ออภัอช่วงช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่เจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าลูกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อ น, นี้เป็นโทสะเจ้าค่ะยังไม่ใช่นิพพานก็รู้ทันเจ้าค่ะว่าความเบื่อเกิดขึ้นเจ้าค่ะนะใจใจไม่เป็นกลางใจไม่ชอบลูกจิตใจตั้งมั่นดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้าค่ะดีขึ้นนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นกลางเจ้าค่ะมันยังเจ็บแค้นอยู่ค่ะ ขอบพระคุณเจ้าคกับนรัสมการหลวงพ่อครับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ครับผมอาจจะน่ารำหนินนึงคือเรื่องแางสังหรกับฮึมสัยหรณ์มันทําไมอ่ะไม่ใช่ครับกับอันเนี้ยครับกับการรู้ทันจิตหรือว่าอะไรพวกนี้มันมันหรือรู้การล่วงหน้าบางอย่างเนี้ยมันต่างกันรึเปล่าครับเป็นสนใจไปเลยนะก็คือพอนั่งแล้วมันเหมือนมีเรื่องราวเข้ามาอยู่กับปัจจุบันโอเคนะเพราะฉะนั้นพอนั่งแล้วมีเรื่องราวขึ้นมารู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่แค่นี้จบเลย จะจริงหรือจะไม่จริงไม่สำคัญหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นตื้นไปได้ไปเราเอาสิ่งที่วิเศษตอนนั้นอีกคือให้เกิดปัญญาเห็นเลยจิตมันคิดได้เองจิตมันรู้ได้เองจิตมันปรุงได้เองะเอาตัวนี้นะให้เห็นม่นขันห้ามันทำงานได้เองทำตรงนี้เราจะได้เป็นพระอริยะได้ไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมอดูไปครับครับนักศึกษากับนักกษาหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งการบ้านนะครับ อโดยในชีวิตประจําวันนะครับจะเห็นส่วนใหญ่จะเห็นลงไปครับลงไปลงไ ป, ลงไปคิดครับแล้วก็ะจะถามหลวงพ่อว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกนะไปดูเรื่อยๆดีแล้อครับขอบคุณมากครับหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วหลวงพ่อก็ลาละท่าน อ, อาจารย์เจ้าขารู้สึกว่า มีปิติก็เห็นว่ามีปิติดีอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอนุโมทนามากก็คือชาวพุทธทั้งหลายได้รู้จักหนทางของอริยะที่เป็นหนทางที่ลัดสั้นตรงและเป็นทางสายเอกที่หลวงพ่อได้มีโอกาสที่จะมาให้กําลังใจพวกเราในวันนี้แล้วก็ดีใจอยู่ที่ว่าพ่อแม่ของหลานๆที่อยู่ในคันเนี่ยสนใจซึ่งโยมก็รู้สึกว่า เราเรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนในปัจจุบันให้เห็นว่าเด็กๆที่จะเกิดมาแล้วเป็นอริยชนนั้นก็ไม่ยากถ้าพ่อแม่ได้มีโอกาสที่จะตามรู้กายรู้ใจอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้กรุณาตลอดจนนิสิตสาวิกาสิกขาไลก็กลัวๆกล้าๆไม่กล้าถามจนกระทั่งค่อยๆ ค, ย ค, ย ค, ยคามมาถามกันทีละดึอดะดับ ซึ่งก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยใช่ไคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจที่จะทำให้หลวงพ่อเองที่มาเสถียนธรรมสถานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมคะในพรรษานี้เนี่ยพวกเราก็จะใช้หลักการที่ท่านอาจารย์ให้ไม่ใช่เป็นเฉพาะในพรรษาเท่านั้น แต่โดยพระธรรมวินัยที่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็ทําให้ชุมชนของนัก บ, บวชผู้หญิงเนี่ยก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องสมควรโดยพระธรรมวินัยในภรรษานี้เป็นพรรษาที่สาสิของโยมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าการที่สมาชิกในชุมชนก็ดีหรือเพื่อนพมอาจารย์ในสังฆาของสาวิกาก็ดี ก็มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์เป็นครูที่สอนให้พวกเราได้รู้ว่าการปฏิบัติบูบชาต่อครูโดยการพัฒนาชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงและเห็นความเป็นอนิจจังให้แจ้งประจักษ์นั้นเป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็จะมีกําลังใจที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งนึงนะเจ้าคะเราจะน้อมใจกันถวาย ต้นไม้ไปที่สวนสันติธรรมจะค่อยๆทยอยส่งไปให้เจ้าค่ะขอให้พวกเราทุกคนพนมมือขึ้นเนี่หลวงพ่อจะพูดอะไรก่อนไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อก็จะอนุมโมทนานะกับคุณแม่คุณแม่เป็นนักบวชผู้หญิงตัวอย่างนะหายากเพราะอะไรรูไ้ไหมจุดเด่นของท่านเลยคือท่านทํางานหลวงพ่อสงสารนะนักบวชผู้หญิงในสังคมเราเนี่ยมองข้ามนักบวชผู้หญิงทั้งๆ ท, ท, ที่ผู้หญิงสําคัญมากนะ โรคครึ่งหนึ่งอยู่กับผู้หญิงนะโดยเฉพาะสังคมไทยนะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ให้เดียบ้านเมืองเราอยู่รอดมาเพราะผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยทํามาหากินเท่าไหร่เราเล่นไปเล่นมาผู้หญิงทุกคนทํางานคุณแม่ต่างกับคนอื่นนักบวดผู้หญิงคนอื่นตรงที่คุณแม่ทํางานคุณแม่ไม่ได้เริ่มต้นโดยการเรียกร้องหลายคนเริ่มต้นผิดนะเริ่มต้นได้เรียกร้องความเท่าเทียมกับพระเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ทําไมต้องร้องขอร้องขอเพราะตัวเองได้เลย คุณแม่ไม่ได้ทำตัวแบบคนมีปมได้นะท่านพัฒนาของท่านมาท่านพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบๆตัวสร้างชุมชนตัวอย่างที่สวยสดงดงามขึ้นมาผลงานของท่านนะทำให้ท่านมีคุณค่าโดยตัวของท่านเองไม่ต้องไปเรียกร้องนะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีนะผู้หญิงอะลาบากกว่าผู้ชายเยอะในเรื่องการปฏิบัติผู้ชายนะมันเลวแค่ไหนไปบวชคนก็เลี้ยงผู้หญิงอะลบากจริงๆเลยหลวงพ่อเห็นใจมากเลยลก็รู้สึก คุณแม่นะ่าเก่งเหลือเกินนะน่านับถือคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งชื่อค่าที่ให้กำลังใจถ้าอย่างนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงพนมมือขึ้นนะลูก <c oughs> ที่จริงผู้ชายและผู้หญิงก็มาจากผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนแล้วก็การที่ท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติคุณแม่ <c oughs> ก็เหมือนท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนคุณแม่จะขอเป็นตัวแทนนะคะสิ่งที่ทราบซึ้งคือท่านอาจารย์บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเอาสะพังทถวายท่านอาจารย์ <c oughs> มีเสียงแววมาเจ้าค่ะ <c oughs> เสียงแววเพราะอาจารย์ถามถึงแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้แต่โยมก็ใช้หลักการบุญญาภักีว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะถวายปัจจัยตับท่านอาจารย์ก็เปิดโอกาสอยู่แล้วทุกอย่างก็จะตามไปตามที่ทุกคนมีความตั้งใจนะเช่ค่ะคือ <c oughs> ขอขอโทษนะคือถวายหลวงพ่อได้นะแต่หลวงพ่อขอช่วยการของคุณแน่นะเราได้บุญไหลต่อเลย ก็จะมอบให้เราโยมขออนุญาตไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างสาวิกาสิคาลัยนะเจ้าค่ะเป็นโอกาสที่เราจะส่งเสริมให้ผู้หญิงได้บรรลุธรรมเพราะเรามีครูบาอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ชัดอยู่ในในยุคสมัยของเราส่วนชุมชนเสถียรธรรมสถานคนตัวเล็กตัวน้อยของเราเนี่ยได้เพาะต้นไม้อันนี้เป็นตัวอย่างที่พอจะขึ้นรดได้แต่ต้นจริงจะสูงกว่านี่หลายเท่าจ้าค่ะแล้วจะขออนุญาตหลวงพ่อตามไปปลูกเจ้าค่ะ ตามไปเพื่อที่จะได้บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ถ้าเผื่อท่านอาจารย์ประสงค์อะไรที่จะทําให้พวกเราได้เห็นว่าเราพอที่จะเป็นประโยชน์รับใช้ได้บ้างก็เป็นโอกาสของของพวกเราทุกคนอนุโมทนานะสิ่งที่หลวงพ่อประสงค์ที่สุดนะคุณแม่พูดไปแล้วปฏิบัตินะชาวาพุทธเราอย่าประมาทนะาศาสนาพุทธไม่มั่นคงเท่าไหร่หรอกคนพร้อมจะลืมธรรมะเพื่อผลประโยชน์ได้เสมอแหละพวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจธรรมะ ธรรมะอยู่ที่ไหนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นต้องเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจเราให้ได้นะที่ที่จะเก็บธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี้แหละตั้งใจที่จะกลับหลวงพ่อพร้อมกันด้วยความกระตันยูที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นหนึ่งในพรัฒนาไตรซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อให้กำลังใจพวกเรามากว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสังครัตนะได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนหนทางสายเอที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดอัญชิีวันธนาอภิวา